กำลังคองท่านผู้มีเกียตเมตรากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ที่ไปตรงกับวันเสาร์วันนี้ยาติโยงเลยได้กำไรหนึ่งวันได้ในเวลาว่ามาทำบุญมาสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ชำระใจให้สะอาดด้วยการภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเพราะนี่คือเหตุของความสุขและความเจริญที่แท้จริงเพราะว่าจะทำให้จิตใจของเรานั้น คิดดีพูดดีทำดีการคิดดีพูดดีทำดีนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขใจในทางตรงกันข้ามการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสือ่อมนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตใจ ที่สัตว์โลกที่ยังมีความหลงครอบงำจิตใจจะไม่รู้จะไม่เข้าใจจึงมักจะทำสวนทางกับความปรารถนาคือแทนที่จ ะ, จะเจริญเหตุเพื่อที่จะได้ให้เกิดความสุขคือคิดดีพูดดีทำดีกลับไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี เนื่องจากความหลงหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจักเป็นดอกบัวดังนั้นเราจรึงต้องมีคนที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระอริยสงสาวกมาคอยสั่งสอน พวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปแล้วก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจตามมาดังนั้นการกระทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำนี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่ให้เราได้คิดดีพูดดีทำดี แล้วมีความสุขนั่นเองอการคิดดีก็คือคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงเรียกว่าเป็นการคิดดีการคิดโลภโกรธหลงนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะเมื่อคิดโลภอยากได้แล้วก็จะต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีดังที่เรา เห็นกันในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พวกที่อยากได้อะไรมากๆแล้วไม่มีความสามารถที่จะหามาได้ด้วยวิธีที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายก็มักจะไปทำวิธีที่ทุจริตทำผิดกฎหมายเมื่อทำไปแล้วผลก็เกิดขึ้นมาทั้งในจิตใจ และกับร่างกายจิตใจก็มีความทุกข์ใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจร่างกายก็ถูกจับไปลงโทษถ้าตำรวจเขาจับได้ก็จะจับไปขังในคุกในตารางถ้าเป็นโทษที่รุนแรงก็จะถูกประหารชีวิตได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา คิดดีคืออย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงให้แทนที่อยากจะได้ก็ให้อยากจะให้แทนเพราะความอยากจะให้นี้ทําให้ใจมีความสุขแล้วก็ทําให้ด้วยความไม่อยากจะได้ผลตอบแทนกลับมาถ้าให้แล้วอยากจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างนี้เรียกว่า เป็นการคิดไม่ดีเป็นความโลกเช่นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญแล้วจะได้อลิสงต่างๆได้ร่ำได้รวยก็เลยทำเพราะอยากจะร่ำรวยนี่ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงจากการทำบุญจากการให้ทานหรือเหตุผลของการทำ เหตุผลก็คือต้องการที่จะให้ดีจิตใจที่คิดดีคือไม่อยากได้มากกว่าที่มีอยู่ที่จําเป็นจะต้องมีถ้ามีมากกว่าที่จําเป็นจะต้องมีก็ให้เอาไปให้คนอื่นไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณา ความเมตตาความกรุณานี่แหะคือความคิดที่ดีเพราะไม่เป็นภัยกับใครทั้งกับผู้คิดเองและผู้ที่ได้รับความเมตตากรุณาได้รับความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ที่คิดเมื่อคิดมีความเมตตาใจก็จะสงบมีความสุขผู้ที่ได้รับความเมตตาใจก็สงบมีความสุขและได้รับสิ่งที่จําเป็นต่อ การดำวงชีพเช่นญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานมาถวายพระอันนี้ก็เป็นความเมตตาความปรารถนาดีความกรุณาคือความสงสารไม่อยากให้พระต้องอดอยากขาดแคลนเพราะว่าถ้าไม่มีญาติโยมมาคอยทำนุบำรุงก็จะอดอยากขาดแคลนได้ก็จะ ก็จะตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนญยาโยมเลยนำอาหารขาาร้าหวานสิ่งของสิ่งใช้ต่างๆมาถวายให้กับพระให้กับวัด น, นี่ทำด้วยความเมตตากรุณาถ้าทำแบบนี้แล้วใจจะมีความสุขเพราะจะไม่ต้องมาพวกพวจกับผลที่กิเลสอยากได้เช่นทำแล้วอยากจะร่งรวย หรือทำแล้วอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดบางคนต้องการไปสมัครงานก็มาทำบุญเพื่อหวังว่าไปสมัครงานแล้วจะได้งานหรือไปสมัครเรียนแล้วจะได้ไดรับได้เรียนหรืออยากจะขอไปสู่ขอใครเขาก็มาทำบุญก่อนเพื่อหวังว่าบุญนี้จะได้ช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาปรารถนา การกระทำบุญแบบนี้ไม่ได้เป็นการกระทำบุญที่ถูกต้องเพราะทำด้วยความโลภเป็นการคิดที่ไม่ดีแล้วทำไปแล้วใจะจะไม่ได้รับความสุขเพราะยังรอรับผลของสิ่งที่อยากจะได้อยู่ทำบุญไปแล้วก็ตั้งมานั่งรอดูผลที่อยากจะได้ว่าจะได้หรือไม่จะสอบเข้าได้หรือไม่จะได้ทำงานหรือไม่ จะได้สิ่งที่เราอยากจะได้หรือไม่ใจก็เลยไม่มีความสุขเพราะคิดไม่ดีคิดไปทางความโลภความโลภนี้จะไม่ทําให้ใจสงบแต่จะทําให้ใจวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าอยากจะได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่ อ, อไหร่นี่ไม่ใช่เรียกว่าการทําบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการ เล่นการพนันเป็นการแทงลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่อาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะถ้าถูกก็ดีใจถ้าไม่ถูกก็เสียใจฉันใดการทำบุญอย่าทำบุญแบบซื้อลอตเตอรี่ทำบุญด้วยความเมตตากรุณาทำบุญเพื่อให้คนเด่นเขาได้รับความสุขได้ปลดปลื้มความทุกข์ต่างๆ ช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะการกระทำอย่างนี้เป็นการคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะทำให้ใจมีความสุขใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่ายังอื่นจะไม่สมไม่ครบถ้วนไม่ไม่มีอะไรมากมายก็จะไม่เป็นปัญหา ถึงแม้จะอดข้าวมือสองมือก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีพลังมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนในสิ่งต่างๆความสุขทางใจนี้แลเป็นมีพลังมากทำให้เรานี้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆ ของทางร่างกายได้ไม่ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจมีความสุขเพราะใจไม่คิดโลกคือไม่คิดอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปหรือไม่คิดว่าไม่อยากจะตาย เพราะความคิดแบบนี้และเป็นการคิดที่ไม่ดีคิดแล้วใจจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครห้ามได้เพราะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขับเราไม่สามารถไปสัง่งห้ามไม่ให้รถยนต์เสียหรือไม่ให้รถยนต์พังได้เมื่อใช้ไปใช้ไปถึงเวลามันเก่ามันก็ต้องเสียถ้าซ่อมได้เราก็ซ่อมมันไปถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปก็เปลี่ยนรถใหม่เท่านั้นเอง จะไปใช้รถเก่าทำไมถ้าเรามีเงินมีทองที่จะซื้อรถใหม่ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถคันหนึ่งเงินทองของเราที่จะซื้อร่างกายอันใหม่ก็คือบุญที่เรามาทำกันนี้แล้วถ้าเราทำบุญกันมากๆแล้วเวลาร่างกายอันเก่านี้ตายไปเราจะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าอันเก่าหลายร้อยเท่าด้วยกันดังนั้น เราต้องคิดให้ดีคิดให้เป็นการจะคิดให้เป็นได้นี้ต้องมีความเห็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับ เราคือใจผู้รับรู้รับผิดชอบกับร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนกับคนขับรถไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์รถยนต์เป็นอะไรคนขับก็เอาเข้าอู่ไปซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้หรือปัญหามันมากไม่คุ้มก็ขายไปแล้วก็ซื้อคันใหม่มาขับจะดีกว่า ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันถึงเวลาที่มันจะไปแล้วก็อย่าไปลังมันไว้อย่าไปใช้สายใช้เครื่องหายใจใช้หลอดใช้อะไรต่างๆมันไม่เกิดประโยชน์เพราะมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็นอนกระเดวกระเดวอยู่บนเตียงนั่นไปปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าการที่จะให้หมอเขาถอดเครื่องช่วยหายใจ ตอดสายยาอะไรต่างๆออกไปนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการฆาตกรรมเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเราไม่ได้ไปเอามีดไปแทงร่างกายไม่ได้เอาไปบีบคอไม่ให้ร่างกายหายใจเราเพียงแต่ปล่อยให้ร่างกายเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้าเขามีพลังถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะตายเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเขาหมด กำลังแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ก็ให้เขาไปโดยเร็วจะดีกว่าดีกว่ามาร้างขาไอ้เพราะการลัางไว้นี้เป็นการทรมานเขาแทนที่เขาจะหมดทุกหมดเจ็บปวดจากความเจ็บปวดของร่างกายก็ต้องมาทนเจ็บปวดกับร่างกายไปเพราะเราคอยป้อนอาหารป้อนน้ำ ตล่อยลมให้กับร่างกายนี้ร่างกายมันก็อยู่แบบคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันดีตรงไหนอยู่แบบนั้นสู้ปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของร่างกายก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ต้องมาติดอยู่กับร่างกายจนกว่าร่างกายนี้มันจะหยุดหายใจถึงจะไปหาร่างกายอันใหม่ได้ ดังนั้นถ้าเรามีใครก็ตามที่เราต้องดูแลรักษาหรือร่างกายของเราเองก็รักษาไปตามเหตุตามผลอย่าให้มันเกินเหตุเกินผลตามอำนาจของความโลภความอยากซึ่งเป็นการคิดไม่ดีอยากจะให้อยู่ให้ได้โดยที่ไม่คำนึงถึงความจริงว่าจะอยู่แบบไหน อยู่แบบทุกข์ทรมานหรืออยู่แบบสุขถ้าถึงเวลาแล้วก็ปล่อยให้เขาไปเถอดใจทําใจให้สงบแล้วจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าใจสามารถแยกออกจากร่างกายได้ไม่ไปมีความผูกพันกับร่างกายถ้ามีความผูกพันแล้วแม้แต่ไม่ใช่ร่างกายยังทําให้เราทุกข์ใจได้เลย ถ้าเรามีความผูกพันกับลูกเราสามีเราเขาทำอะไรไม่ดีหรือไม่ถูกใจเราก็ยังทำให้เราทุกข์ใจได้เลยใ <Yeah. S 1> ยนี้มันมันสามารถผูกติดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าไปผูกติดกับอะไรแล้วมันก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับสิ่งที่มันไปผูกติดอยู่ด้วยแต่ถ้ามันไม่ไปผูกมันก็จะอยู่อย่างสบาย <Yeah. S 1> เช่นคนที่เราไม่รู้จักเราไม่มีความ ผูกพนันกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ร ah> ู้สึกอะไรเลยฉันใดร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปผูกพันกับร่างกายของเราเหมือนกับเราไม่ผูกพันกับร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายของเรานี้เป็นอะไรไปก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีตัวตนในร่างกายอันนี้แม้ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเป็นเพียงอาการสาสองเท่านั้นเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นไม่ได้เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพียงอาการสาสอง ที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปในที่สุดนี่คือความรู้ที่เราควรที่จะมันสอนใจเราอยู่เรื่อยเพราะถ้าเรามีความรู้ว่าอันนี้ติดอยู่กับใจแล้วเราจะสามารถคิดดีได้ก็คือคิดไม่โลภคิดไม่อยากคิดปล่อยวางเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ จะทำให้เราทุกใจไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายเขาต้องไปตามวาราของเขาเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาแล้วจะไปอยากให้พระอาทิตย์หยุดตกอยู่ตรงนี้ไม่ได้พระอาทิตเขาก็ต้องเคลื่อนไปเรื่อยๆจากเช้าไปถึงเย็นพอเย็นเขาก็ตกลงไป ถ้าเราไปอยากให้พระอาทิตย์หยุดหรือให้หมุนให้เดินเร็วขึ้นเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้พระอาทิตย์เป็นไปตามความต้องการของเราได้ฉันใดร่างกายของเรนี้ก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บแล้วมีตายไปในที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขา ไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสั้รู้ด้วยพระองค์เองคือรู้ว่าความทุกข์ของใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆนอกใจเราเลยไม่ได้เกิดที่ร่างกายไม่ได้เกิดที่คนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดที่ใจของเราคือเกิดที่ความอยากนี้เอง พอเราไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีดังนั้นถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้เฉยๆไม่โลภไม่อยากได้เราจะไม่มีความทุกข์ใจเลยการที่เราจะทำใจของเราให้ไม่โลภไม่อยากได้เราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือเบื้องต้นก็ให้ทำบุญให้ทานเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากได้ข้าวของเงินทองมากเกินความจำเป็นมีมากเท่าไหร่เกินความจำเป็นเท่าไหร่ก็อยากเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญทำทานอันนี้ก็เป็นการทำใจให้ไม่อยากกับข้าวของเงินทองต่างๆนั่นเองแล้วก็สอนให้เรารักษาศินคือให้เรา อย่าไปคิดร้ายพูดร้ายทาร้ายผู้อื่นเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความทุกข์ใจนั่นเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็อยเขาไปเขาจะด่าเราหรือทําร้ายเราก็ถือว่าเป็นข้อกรรมของเราก็ลักกันเหมือนกับเหมือนกับเราถูกสุนัขกัดอย่างนี้ มันก็เป็นถือว่าเป็นข้อกรรมของเราไปแต่อย่าไปทำร้ายเขาเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเขาทำร้ายเราแล้วเราเฉยๆเราให้อภัยใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะไม่มีความเครียดแค้นไม่มีความอาฆาตพยาบาทใจของเราจะรู้สึกสบายคิดเสียว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปคิดว่าดีแล้วเพียงแต่ถูกมหมากรัดเท่านั้นดีกว่า ที่ยังที่ยังที่ที่ต้องตายไปคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดในในเชิงบวกแล้วเราจะไม่มีความทุกข์อย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็บอกว่าดีแล้ว เพราะคนเราในที่สุดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนคนบางคนอยากจะตายตายไม่ได้ต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากินหรือต้องไปจ้างให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองนี่เรามีคนมาฆ่าเราก็ดีจะได้หมดปัญหาไปร่างกายนี้อยู่ไปก็มีแต่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดที่ไม่แก่ก็ต้องคอยดูแล ต้องหายใจอยู่ทุกเวลาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีการหยุดเลยจะต้องคอยอาหาอาหารมาดื่มหาอาหารมารับประทานหาน้ำมาดื่มแล้วเวลาเป็นอะไรก็ต้องหายามะรักษาต้องอาบน้ำอาบท่าต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องวิตกกังวลกับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วแสนจะสบาย แต่เราไม่รู้กันเพราะความหลงเพราะความเห็นผิดเป็นชอบไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วเราจะสูญหายไปเมื่อเราไม่สูญใจของเราไม่สูญเพียงแต่ว่าใจของเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาความรู้ที่ถูกต้อง ถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราจะสามารถที่จะหยุดความอยากความโลภต่างๆได้ความโลภ ค, ความอยากต่างๆนี้เกิดจากความไม่รู้จริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความสงบความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตไม่โลภไม่อยากไม่หลงไม่โกรธ ดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การมาทำใจของเราให้สงบให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขมีความสุขแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของร่างกาย ถ้าเราทำบุญให้ทานเราก็จะปล่อยไปเทียเรเล็กเทียน้อยรักษาศีลเราก็จะปล่อยได้มากขึ้นแล้วพอเรามานั่งสมาธิเราก็จะปล่อยได้เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าสมาธินี้จะปล่อยได้เป็นชั่วคราวขณะที่จิตสงบนี้จิตปล่อยวางทุกอย่างร่างกายก็ปล่อยความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ปล่อย เหตุการณ์ต่างๆภายนอกร่างกายก็ปล่อยไม่รับรู้อะไรเลยใครจะดาก็ไม่รับรู้ใครจะชมก็ไม่รับรู้ใครจะเป็นอะไรก็ไม่รับรู้อนนั้นใจมีความสุขมีความสบายใจแต่สมาธินี้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็จะต้องถอนออกมา ออกมารับรู้มารับผิดชอบกับร่างกายเพราะร่างกายจะต้องรับประทานอาหารจะต้องดื่มน้าจะเ่าจะต้องเข้าห้อง น, น้ำร่างกายก็จะกระตุ้นให้จิตที่อยู่ในสมาธินี้ออกมาเพื่อมาดูแลร่างกายเมื่อออกมาดูแลร่างกายถ้าอยากจะรักษาความสุขความสงบให้อยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญา ต้องสอนใจให้มีความรู้ที่ถูกต้องว่าอย่าไปหลงอยากได้อะไรไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราออกมาเพื่อดูแลร่างกายทั้งนั้นเมื่อดูแลเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปสู่ความสงบใหม่ <c oughs> เข้าไปสู่สมาธิใหม่อย่าไปหาความสุขจา ก, กสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่สุขแท้เพราะว่ามันไม่ถาวร สุกเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็หมดไปทำอะไรที่เราชอบก็สุกปับ๊บพอเราหยุดทำมันก็หายไปพอไม่ได้ทำแล้วก็เกิดทุกข์ใจกลับคืนมาอีกแต่การทำใจให้สงบนี้มันจะสุขไปตลอดเวลาและไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้เรามีความสุขความสุขอย่างอื่นนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราควรจ ะ, จะสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงอยากได้อยากมีอะไรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรและไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอด สองวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปเวลาที่จากกันเราก็รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นความทุกข์ขอให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปใจจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยากจะมีความสงบอย่างเดียวเพราะความสงบนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือทำบุญให้มากรักษาสิงให้มากนั่งสมาธิให้มากจเจริญปัญญาให้มากแล้วเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงเราจะอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และบุคคลต่างๆได้นี่คือการคิดดีพูดดีทดําดีเป็นอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราไม่มีใครคิดแทนเราได้พูดแทนเราได้ทําแทนเราได้และอย่าไปอยากคิดแทนคนอื่นพูดแทนคนอื่นทําแทนคนอื่นเพราะจะทุกข์ใจอย่างพ่อแม่อยากจะให้ลูกคิดดีพูดดีทดําดีก็เลยไปทุกข์กับลูกเพราะลูกไม่คิดดีพูดดีทําดี เราไปทำอะไรให้เขาไม่ได้ทำแทนเขาไม่ได้เราเพียงแต่สอนบอกเขาได้หรือหาวิธีบังคับเขาได้ <c oughs> ถ้าบังคับเขาได้ก็ต้องบังคับถ้าไปบังคับปล่อยให้ทำตามความคิดของเขาเขาก็จะไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าบังคับไม่ได้เราก็ต้องปลมต้องปล่อยไปถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาเราทำได้เท่าที่เราทาได้เท่านั้น แต่ความทุกข์ใจนี้ไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับเขาหรือกับเราเราอยากไปทุกข์กับเขาเราต้องรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเขาบางคนก็ดีแสนดีบางคนก็เร็วแสนเร็วอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญเกา่ากรรมเกา่าบาปเกา่าที่เขาทำมาที่ติดมากับใจของเขาเราเพียงแต่มีหน้าที่สอนเขาหรือคอยลากคอยจูงเขาให้ไปในทิศทางที่ดี ถ้าเขาไม่ยอมยไปก็ช่วยไม่ได้นี่คือเรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราปฏิบัติต่างได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเราจะมีความสุขตลอดเวลาอยางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายมีกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฝึกการคิดดีพูดดีทำดีนี้ ท่านท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสลัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคาลาดปลอดไปจากทุกไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ